หลงนะครับมียมมหาเด็กชายสมฤทธิ์บอกสมภานวัดป่ามะม่วงหลังจากที่ท่านส่งน้ำเสร็จอากาศช่วงบ่ายร้อนอบอ้าววิธีคลายร้อนที่ดีที่สุดคือการอาบน้ำผู้หญิงหรือผู้ชายเคยมาหรือเปล่าท่านถามขณะครองจีวอนผู้หญิงครับสงสัยจะไม่เคยมา เพราะผมไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนแต่ก็ไม่แน่อาจจะเคยมาตอนที่ผมยังไม่ได้มาอยู่ที่นี่ก็ได้ลวงนาไปดูเองดีกว่าเด็กชายตอบงั้นก็ลงไปบอกเขาว่าเดี๋ยวข้าจะลงไปเด็กชายจึงกราบหลวงนาะและเดินลงไปบอกสตรีผู้นั้นเมื่อสมันธ์ลงมานั่งอย่างอาสนะหญิงสาว กราบเป็นจางขับประดิษฐ์สามครั้งแล้วถามขึ้นว่าท่านจําดิฉันได้ไหมเจ้าคะ่ะดิฉันไปถามหาท่านที่วัดพรมบุรีแต่เขาบอกว่าท่านมาเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดนี้ดิฉันจึงตามมาโยมมาจากไหนละ่ะท่านถามครั้นจะตอบไปตามตรงว่าจําไม่ได้ก็เกรงว่าหล่อนจะเสียใจ ดิฉันมาจากบ้านไผ่กองดินเจ้าค่ะที่ท่านเคยไปบ้านดิฉันเมื่อหลายปีก่อนคำพูดของหล่อนทำให้พระเจริญนึกขึ้นได้จึงทักว่าอ๋อแม่เชิญสีนั่นเองไปยังไงมายังไงล่ะนี่อาตมาจำเกือบไม่ได้ขอโทษนะหน้าตายอมหม่นมองอมทุก์ จนดูเป็นคนละคนกับเมื่อก่อนเกิดอะไรขึ้นหรือเท่านั้นเองทำนบน้ำตาก็พังคลื่นลงนางสาวเชิญสีร้องไห้ปิมว่าจะขาดใจสมภารวัดป่ามะม่วงปล่อยให้หล่อนร้องท่านเห็นเป็นธรรมดาแล้วว่าน้ำตากับผู้หญิงเป็นของคู่กันการได้ร้องไห้จะช่วยให้ความทุกข์ของหล่อนคลายลงเด็กชายสำริดนั่งดูเหตุการณ์อยู่ห่าง เห็นคนร้องไห้ก็เสียใจถึงจะไม่รู้ว่าหล่อนร้องด้วยเรื่องอันใดแต่ก็รู้ว่าหล่อนต้องมีทุกข์อย่างเหลือเกินเด็กชายลุกขึ้นเดินไปที่ห้องหยิบผ้าขนหนูผืนเล็กที่เขาใช้เช็ดหน้าออกมายื่นให้หญิงสาวนะเอาไว้เช็ดน้ำตาผมให้ยืมขอบใจจะ้ะหล่อนรับผ้ามาถือไว้หากไม่ได้เช็ดน้ำตา โยมมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรก็ว่ามาหากพอช่วยได้อาจมาก็จะช่วยภิกษุวัยสามสิบเศษเอื้อเฟื้อท่านเห็นกฎแห่งกรรมของหล่อนตั้งแต่ตอนนั้นและรู้ว่าหล่อนจะต้องมาให้ช่วยเวลาผ่านไปหลายปีและบัดนี้หล่อนก็ได้มาแล้วเจ้าคะ่ะ ดิฉันก็เห็นแต่ท่านนี่แหละที่จะช่วยดิฉันได้จึงบากหน้ามาหาถึงอย่างไรดิฉันก็เชื่อแน่นแฟนว่าท่านเป็นลูกชายของดิฉันเมื่อครั้งอดีตชาติพูดเสียงปนสะอื้นโยมอดีตมันผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงพระพุทธองค์ส่งสอนไม่ให้หวนหาอดีต ไม่ให้วาดหวังอนาคตแต่จงกำหนดรู้ปัจจุบันโยมมีอะไรก็ว่าไปไม่ต้องใส่ใจกับอดีตนโยมนะเจ้าค่ะหล่อนใช้ผ้าคนหนูเช็ดน้ำตาจนแห้งพยายามฝืนใจที่จะไม่ร้องไห้อีกแล้วจึงตั้งต้นเล่าคือพ่อแม่และพี่ชายของดิฉันพากันตายหมดแล้วเจ้าคะ่ะ พวกพี่สะั้ยก็พากันแย่งสมบัติของพ่อแม่และพี่ชายแล้วยังจะมาแย่งส่วนที่เป็นของดิฉันด้วยจนต้องฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ภิกษุวัย30เศษถามเมื่อสามปีมาแล้วเจ้าค่ะดิฉันก็ไปไปมามาระหว่างบ้านกับศาลต้องลำบากลำบนมากจนบัดนี้ คดีก็ยังไม่ยุติผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอยู่อย่างนี้ตอนที่ฉันไปศาลใหม่ๆก็มีผู้พิพากษาบ้างอัยการบ้างมาชอบดิฉันก็ไม่ชอบเขาต่อมาก็รู้จักกับเสมียนศาลชื่อนายโทคบกันไม่นานดิฉันก็เกิดรักเขาดิฉันก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นผู้พิพากษาอัยการดิฉันไม่ชอบ กลับมาชอบคนหากินตามตีนโรงตีนสารพระเจริญสะดุดใจกับคำว่านายโททำให้นำลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งกระโ น, น้นครั้งที่ท่านเป็นแม่ทัพและเป็นลูกชายของแม่เชิญสีผู้นี้นายโทได้ผูกอาคาดแม่เชิญสีไว้ตอนก่อนตายเฝ้าติดตามมาแก้แค้นจนได้และที่น่าแปลกก็คือ เขาชื่อโทเหมือนเมื่อชาติที่แล้วทำไมดิฉันไม่ชอบผู้พิพักษาไม่ชอบอายการแต่กลับมาชอบเสียแล้วเจ้าคะทำไมหล่อนทำท่าจะร้องไห้อีกเพราะเคยทำกรรมร่วมกันมานสิชาตินี้ก็เลยต้องมาใช้เวรใช้กรรมกันเอาละ่ะไม่เป็นไรใช้ใช้ให้หมดเสีย ชาติต่ อ, ตอไปจะได้ไม่ต้องมามีเวรมีกรรมกันอีกเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงตอบเพราะเห็นกฎแห่งกรรมของคนทั้งสองอย่างแจ่มชัดท่านคะอีกนานเพียงใดเรื่องฟ้องร้องถึงจะจบสิน้นอันนี้ต้องถามที่ศาลอาตมาตอบไม่ได้เพราะไม่ใช่ผู้พิพากษา แล้วก็ไม่ใช่อายการด้วยท่านตอบยิ้มยิ้มนางสาวเชิญสีรู้สึกผ่อนคลายไม่เห็นรอยยิ้มของท่านแล้วดิฉันจะแพ้หรือชนะเจ้าคะหล่อนถามอีกคำตอบเหมือนเมื่อตะกี้สมพา์ตอบยิ้มยิ้มเช่นเคยถ้าเช่นนั้นดิฉันก็ไม่อยากทราบแล้วละแต่ที่ดิฉันมาในวันนี้ เพราะต้องการให้ท่านช่วยเรื่องปลูกเรือนหอนายโทรเขาบอกดิฉันว่าเขาจะแต่งงานกับดิฉันก็ต่อเมื่อดิฉันสร้างเรือนหอเสร็จแล้วจะให้อาตมาช่วยอย่างไรละ่ะก็ช่วยดูแลเรื่องการก่อสร้างดิฉันไม่มีใครเลยจริงๆเจ้าค่ะนึกว่าสงสารผู้หญิงตัวคนเดียวพ่อแม่พี่น้องตายหมดแล้วทําไมไม่ให้โยมโทก็ช่วยละ่ะ อาจมาเป็นพระจะไปช่วยก็ดูกระไรยอยู่ท่านพูดออกตัวเขาไม่มีเวลาเจ้าค่ะยิ่งไปกว่านั้นเขายังไม่ช่วยออกเงินค่าก่อสร้างอีกด้วยพระเจริญรู้ว่านั่นเป็นเพราะเขาต้องการจะแก้แค้นเขามาเกิดด้วยแรงอาฆาตพยาบาทต้องการจะทำลายล้างผลาญแม่เชิญสีให้สิ้นเนื้อประดาดตัวทั้งนี้ทั้งนั้น ก็เพราะแม่เชิญศรีได้ทำกรรมอันหนักหนาสาหัสไว้กับเขาท่านรู้แต่แม่เชิญศรีสิไม่รู้เอาละตกลงว่าอาตมาจะช่วยเป็นทุระให้ไหนไหนก็มาขอร้องแล้วครั้นจะปฏิเสธก็ดูกระไรอยู่ในใจนั้นท่านคิดว่าต้องการจะสงเคราะห์คนที่เป็นมารดาในอดีตชาติ ถือเียว่าเป็นการตอบแทนข้าวป้อนน้ำนมที่หล่อนเคยมีต่อท่านจริงหรือเจ้าคะ่ะท่านจะช่วยเป็นทุระให้ดิฉันจริงๆหรือโอ้นับว่าเป็นบุญวาสนาของดิฉันมีสีแรงที่อุตสาบากหน้ามาพึ่งท่านชึงเมตตาเหลือเกินหล่อนก้มลงกราบพระลูกชายรู้สึกปิติจนน้ำตาไหล แล้วจะลงมือสร้างเมื่อไรล่ะสมภารวัดป่ามะม่วงถามพรุ่งนี้เลยดีไหมเจ้าคะพรุ่งนี้นิมนท์ท่านไปที่บ้านไผ่กองดินเพื่อดูทำเลคุณยายยกที่ดินให้ดีชั้นสองแปลงอยากให้ดูว่าควรจะสร้างในที่ดินแปลงไหนทำไมไม่ถามโยมโทรเขาล่ะปลูกเรือนต้องตามใจผู้อยู่ ผูกอูต้องตามใจผู้นอนมิใช่หรือเขาไม่สนใจหรอกเจ้าค่ะได้แต่แสงให้ทําอย่างโน้อนอย่างนี้ดิฉันก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทําไมถึงยอมให้เข้ามาบงการชีวิตดิฉันไม่ใช่ว่าจะเป็นคนยอมใครง่ายๆแต่ทําไมถึงได้มายอมคนคนนี้ก็ไม่ทราบเพราะเคยสร้างกรรมทําเวรกับเขาไว้นะ่ะสิ พระเจริญเผลพูดออกมาดิฉันหรือดิฉันไปสร้างกรรมทาเวรไว้กับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่เจ้าคะนางสาวเชิญสีรู้สึกข้องใจสมภารวัยส0สิจึงพูดกลบเกลื่อนว่าจะเมื่อไหร่ก็ช่างเถือโยมเรื่องมันแล้วไปแล้วอาตมาเพียงแต่อยากจะบอกว่าผลมันเกิดจากเหตุผลก็คือวิบาก เวลานี้โยมกำลังรับวิบากของกรรมที่โยมได้ก่อไว้ตั้งแต่ครั้งอดีตทางที่ดีที่สุดคือต้องก้มหน้าก้มตารับเวรที่ทำกรรมที่ก่ออย่าได้ปฏิเสธทุกข้อหาการทํากรรมก็เหมือนเราเป็นหนี้เขาใช้กรรมก็คือใช้หนี้เมื่อใช้แล้ว ก็เป็นอันหมดหนี้หมดสินกันข้อสำคัญคืออย่าไปสร้างหนี้ใหม่ขึ้นมาอีกอาตมาพูดอย่างนี้โยมพอจะเข้าใจใช่ไหมเจ้าค่ะดิฉันจะพยายามทำตามที่ท่านแนะนำว่าแต่ว่าวันพรุ่งนี้ท่านจะไปดูแลเรื่องการปลูกเรือนหอให้ดิฉันหรือเปล่าเจ้าค่ะพรุ่งนี้เป็นวันพระ อาตมาทิ้งญาติโยมไปไม่ได้หรอกขอเป็นมรืนนี้ก็แล้วกันแล้วยมละ่ะมายังไงจะกลับยังไงดิฉันมารือโดยสารเจ้าค่ะคิดว่าเสร็จธุระแล้วก็จะกลับถ้าเช่นนั้นดิฉันเลยถูอโอกาสกลาบลานะเจ้าค่ะวันมรืนจะคอยต้อนรับท่านอยู่ที่บ้านหลนกลาบเป็นจังค้าประดิษฐ์สามครั้งแล้วคลานออกมา ไม่ลืมที่จะส่งผ้าขนหนูคืนให้เด็กชายสำมฤทธิ์ผู้ซึ่งตามมาส่งถึงท่าน้ำพระเจริญทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับมารดาในอดีตชาติรู้อยู่ว่าแม่ตัวท่านเองก็ต้องใช้กรรมเช่นเดียวกับแม่เชิญสีแม้จะไม่ยึดติดอยู่กับพบชาติในครั้งอดีต แต่เมื่อกำมาปรากฏก็ต้องชดใช้ไปตามหน้าที่หมดกรรมเมื่อใดจะได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในสงสารสาครอีกบัดนี้ท่านได้ตระหนักแล้วว่าการเกิดเป็นทุกข์การไม่เกิดเป็นสุขยังจำพุทธวจนะได้ขึ้นใจดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุจจาระปัสสาวะน้ำลายน้ำหนอง เลือดแม้มีประมาณน้อยก็มีกลิ่นเหม็นฉันใดเราย่อมไม่สันเสริญพบแม้มีประมาณน้อยโดยที่สุดแม้เพียงลัดนิ้วมือเดียวฉันนั้นสมภารวัดป่ามะม่วงมิได้เดินทางไปบ้านไผ่กองดินแต่เพียงผู้เดียวหากมีสั ม, มนเณรตุ้ยติดตามไปด้วยทุกครั้งสั ม, มนเณรตุ้ย ไม่เข้าใจว่าเหตุใดสมพานจึงต้องมาเป็นธุระเรื่องการก่อสร้างให้กับสตรีผู้นี้ทั้งที่ไม่ได้เป็นญาติกันความไม่รู้ไม่เข้าใจทำให้เนนตุ้ยคิดเอาเองว่าสมพานกับแม่เชิญสีเป็นคู่รักกันปลูกเรือนหอเสร็จเมื่อใดท่านก็คงศึกหาลาเพศมาแต่งงานกับหลอนพระเจริญรู้ว่าเนนตุ้ย คิดอย่างไรกับท่านอีกประการหนึ่งนายโทก็ไม่เคยเยี่ยมกลายมาให้ท่านเห็นหน้าจึงไม่มีประโยชน์อันใดที่ท่านจะต้องบอกความจริงแก่สำมะเนนตุ้ยเราไว้ให้เหตุการณ์มันเป็นไปตามคันลองของมันเมื่อนั้นทุกคนก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร ข่าวเรื่องสมภารมีลูกชายฝาแฝดยังไม่ทันจางหายก็มีเรื่องใหม่มาให้คนวิพากษ์วิจารณ์กันอีกว่าท่านไปปลูกเรือนหอที่บ้านไผ่กองดินและพร้อมจะลาสิกขาไปแต่งงานเรื่องหลังดูจะรุนแรงกว่าเรื่องแรกเพราะแม้แต่ญาติโยมที่เคารพนับถือท่านก็พากันเชื่อตามนี้คนที่ไม่เชื่อเห็นจะมีนางโถกับนางแต้มเพียงสองคนเท่านั้น ทั้งนี้เพราะสตรีทั้งสองปฏิบัติกรรมฐานเก้าหน้าจนสามารถบรรลุญาณสิบหกซึ่งเท่ากับได้ดงตาเห็นธรรมบุคคลเช่นกล่าวนี้จะมีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยไม่ว่าจะเป็นพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ส่วนญาติโยมที่ไม่ได้มีคุณสมบัติดังกล่าวต่างพากันนินทาว่าร้ายสมพารอย่างสนุกปาก สองเดือนผ่านไปการปลูกสร้างเรือนหอก็เสร็จเรียบร้อยสม่านกับเนนตุ้ยไม่ต้องเดินทางไปบ้านไผ่กองดินอีกเรื่องเลวร้ายทั้งหลายจบสิ้นลงเมื่อในโทรกับนางเชิญสีเดินทางมานิมนพระวัดป่ามะม่วงไปเจริญพระพุทธมนตรในงานมงคลสมรสของตนกระนั้นคนใจบาปหยาบช้าก็ยังอุตส่าห์เอาไปพูดอีกว่าสมพานอกหัก พระเจริญไม่ได้วันไหวกับถ้อยคำกล่าวร้ายของผู้ใดท่านยังคงปฏิบัติหน้าที่ของบรรพชิตยอย่างดีที่สุดโลกธรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นอิทธารมหรืออนิธารมก็ไม่อาจครอบงำย่ำยีจิตของท่านได้เพราะยึดพุทธพจน์ดังปรากฏในมงคลสูตรว่าพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยตะ ณกรรมปติถูกโลกกรรมจิตไม่หวั่นไหววันเข้าพรรษาญาติโยมมาทำบุญกันคับข้างนางโถกับนางแต้มทำอาหารอย่างดีมาถวายพระภิกษุเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงมองหน้านางแต้มก็ตกใจเพราะไม่เห็นเงาศีรษะของนางปรากฏ ท่านอุทานในใจว่าตายละโยมแต้มไม่มีเงาหัวแสดงว่าต้องตายในวันนี้ท่านเพ่งกระแสจิตไปที่นางแต้มพยายามที่จะต่อหัวให้ว่าคาถาอยู่นานก็ไม่อาจต่อศีรษะให้นางได้กฎแห่งกรรมตามมาให้ผลนั่นเองนางจะต้องชดใช้กรรมในวันนี้กรรม ที่ถีบสามีตกบันไดนี่แลหละนอ้อที่เขากล่าวกันว่าเหนือฟ้ายัางมีฟ้าแต่ไม่มีอะไรเหนือกฎแห่งกรรมนางแต้มอุตสาทมพิธีขอขมาลาโทษสามีกระทั่งปฏิบัติกรรมฐานได้เก้าหน้าถึงขั้นได้ดวงตาเห็นธรรมกระนั้นก็ไม่อาจหนีกฎแห่งกรรมไปพ้น เยาว์ไตนางแต้มเลยแม้พระโมคคัลนะผู้มีฤทธิ์ท่านเป็นถึงพระอรหันต์ก็ยังหนีกรรมไปไม่พ้นในอดีตชาติท่านเคยทุบตีมารดาบิดาต้องไปตกนรกหมกไหม้หลายร้อยชาติครั้นบรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์เศษกรรมก็ยังมาให้ผลเป็นเหตุให้ท่านถูกพวกโจรทุบ จนกระดูกแหลกเป็นเม็ดข้าวสารหักความที่ท่านเป็นผู้มีฤทธิ์ได้เหะหนีโจร น, นับร้อยครั้งแต่พวกโจรก็ยังเพียรตามราวีในที่สุดท่านระลึกถึงกรรมที่เคยทำไว้กับมารดาบิดาในครั้งอดีตชาติจึงรำพึงกับตนเองว่าหนีโจร น, นั้นทำได้แต่หนีกรรมทำไม่ได้ รู้ดังนี้แล้วท่านจึงยอมให้โจรทุบจนกระดูกแหลกตอนเย็นวันเดียวกันนางแต้มกลับจากทาบุญมาถึงบ้านขณะเดินขึ้นบันไดขั้นสุดท้ายก็รู้สึกหน้ามืดหงายท้องตกลงมาคอหักตายลูกหลานพากันตกใจและรีบไปแจ้งข่าวให้เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงทราบ สมภารรับฟังเรื่องราวด้วยอาการสงบด้วยท่านรู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับนางแต้มยิ่งไปกว่านั้นท่านยังรู้ว่านางแต้มจะไม่ไปเกิดในทุกขตินางจะไปเกิดในสุขติอีกไม่เกินเจ็ดชาติก็จะถึงที่สุดแห่งทุกไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรอีกต่อไป